การที่เราจะเข้าถึงวิจารเขมมันมีจิตไล่ทุลีกิเลสมีจิตกเกษมสารเราต้องมีการฝึกตนสอนตนครูนี่สำคัญวันนี้ถือว่าเป็นครูวันครูแกลมิตรเปรียบเหมือนครูบาอาจารย์วันนี้โรงเรียนหยุด ส่วนใหญ่ก็คือเราจะมาที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกว่าครูพระลักจำสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราเป็นครูสอนเราครูมาจากคาว่าคารุก็คืองานหนักงานหนักเป็นงานที่ท้าทายเพราะว่าการจะเอาความรู้ไป ให้กับบุคคลที่เขาจะน้อมรับเข้ามาใส่ตนไมนต้องเป็นศาสตร์เป็นศิลปะเป็นศิลป์เป็นจารีประเพนีเป็นลักษณะของไม่ได้ด้วยเล่หเอาด้วยกลไม่ได้เดิน ม, ม์เอาด้วยคาถาบทีก็ใช้ความลึกลับเพื่อที่จะประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ จากจิตสู่จิตจากธรรมสู่ธรรมไปเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปล้าก็มีบรมโคก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้ตามแล้วก็สมควรฝึกบุุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่านี้ประพุทธนถ้าเป็นองค์ สมเด็จพระาศาสดาของเราเจ้าชายศิาิาก็คือปรินิ้ผานไปแล้ว 2,000 ป, ปีนะปีนี้ก็ 2,600 ปีที่เป็นชาตการหลังจากที่ท่านสอนคนมาแล้วก็เริ่มต้นปศจนถึงปศ 2,556 ปีนี้วิชานี้อยู่ในพระองะค์แล้วก็มาถึงยุคเรามันก็นานแล้ว เพราะนั้นพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานะที่สอนเราอยู่อันนี้แหละเราสามารถสัมผัสได้จริงพุทธะคือภาวะจิตรู้ตื่นเบิกบานมันเป็นจิตที่ไม่โศโครมันเป็นจิตที่ไรตุลิกิเลสเป็นจิตเกษมสารเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์มันคือภาวะของปกติภาวะของปกติเราจะได้สัมผัส อาการทั้งหมดเดี๋ยกี้เราสวดกันในมุมก่อนเราสวดเพราะฉะนั้นความรู้เราเนี้ยมันเป็นความรู้ที่เกิดมาจากความรู้สึกตัวก่อนรู้จักตนรู้จักตัวเองรู้จักเหตุรู้จักผลอัตัญญุตาอัตถัญญุตาเหตุอย่างนี้จะทําให้เกิดผลอย่างนั้นตอนนี้สัมผัสกับผล ผลมันเป็นอย่างนี้เกิดจากเหตุผ่านมายังไงเหตุก็มันคืออะไรรู้จักวัาชาติกลุ่นของเราเป็นยังไงรู้จักเวลานี้เป็นเวลาอะไรการอยุตารู้จักว่าชุมชนนี้ทํำยังไงกันต้องเกี่ยวข้องกันยังไงรู้จักบุคคล ร, รู้จักชุมชนรู้จักประมาณในการบริโภคต่างๆ มันเป็นความรู้ที่อยากจะทําให้เรารู้จักใช้ชีวิตของเราให้เกิดความสะดวกกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆกับเวลาที่ตามลักษณะมั น, นก็มีอะไรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเว ล, เวลามันต้องทันคนทันการเวลาทันเหตุการณ์ไม่องทันข่าวสารบ้านเมืองในแผ น, นกระนาดแต่ว่าเราไม่ต้องไปหาความจากคนอื่น บางทีเขรู้เขาก็รู้ไม่ถูกบางทีก็รู้นิดเดียวแล้วก็ขยายความไปอันนี้เคยเจอ ห, าหลายครั้งหลายหนบางทีรู้อย่างไม่เช่นหลวงพ่อทันเทศรู้บางทีก็ไม่ชี้อันนี้ถือว่าผิดมากๆใครที่รู้แล้วไม่ชี้นะถ้าถ้าไม่รู้ไม่ชี้ก็ผิดอีกแต่ก็ดีถ้าไม่รู้แล้วไม่ชี้ก็ไม่เกิดเรื่องแต่ที่สำกันก็คือตัวเองก็โ ง, ง่งต่อไปนะ่ อีกอย่คือรนะู้เราชี้อันนี้ดีมากมากอันนี้เป็นลักษณะขององค์สมเด็จ ส, สัมานะสมาสัมพุทธเจ้าทีนะ่รูเรียวบอกต่อสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉนั้นท่านเป็นบรมครูจริงๆท้ายสุดก็คือเราก็ต้องเป็นครูสอนตัวเรานะก็คือกาละามัสูตรที่เมื่อกี้ต่ออีกบทหนึ่งจะเป็นกาละมัสนะูตรสมโนกัรุตินึ่งก็คือให้ถ้าเรา ไม่กระทั่งเป็นครูอาจารย์ก็อย่าเชื่อว่าสมาน้สมณะอันนี้เป็นครูของเราสมาะท่านนี้เป็นครูของเราะสมากะ น, นี้เป็นครูของเราอันนี้ก็ต้องใช้กรรมสูตรเข้ามาเหมือนกันอย่างองค์ุริมานเป็นไงเจอครูบาอาจารย์ที่หูเบาเป็นไงเอาตัวไม่หลอดองค์ุริมาณเนี่ยจากท้ายสุก็คือเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกของจริงตรงไปตรงมา องคุริมานก็เลยพลิกตัวเองได้พอเป็นคนดีมาก่อนไมนเป็นคนชั่วแต่ถูถกกล่าวล้ายไปสีจนตั้งโอ้โหมันทินมืดตึ๊ดตือเลยท้ายสุก็คือเมื่อครูก็ชี้อย่างนี้ก็ได้เลยชี้โพงให้กับลอกโดดซะนั่นคือองค์ุริมานแต่ท้ายสุดพอเจอพเจ้าปับ๊บออกเกิดกายมารุธทำขึ้นมาน้อมกับมาใส่ตนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องเชื่อฟังคนครูมันศึกษา ครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงครับมันเคารพมีการเชื่อฟังเชื่อฟังก็คือเชื่อสิ่งที่ท่านพูดนะแต่ว่าไม่เชื่อนะสิ่งที่ท่านพูดจะเป็นจริงนไม่ไดีเศษแต่ไปทําดูก่อนถ้าจริงขึ้นมาก็คือเออเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับผลของการเรียนการศึกษาให้ที่คุณครูก็บอกกันละเหมือนกันหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเออแล้วก็จําไว้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองก็สองจริงๆไปคุยกับคนอื่นๆด้วยว่า มันเป็นมาตรฐานสากลอย่างไรแล้วก็มีเกณฑ์ชีวัตมาตรฐานนต่อมาก็คือลูกศิษย์ที่ดีก็คอยเยืนรับใช้ครูบาอาจารย์ครูอาจารย์มาเยือนดูชื่อของหิวอะไรในลูกศิษย์ที่ดีก็คอยกุรีกุจออุปถากอุปธรรมแล้วครูบาอาจารย์ท่านอ่อนล้าอุปถากอุปธรรมศึกษาวิชาการของท่านโดยความเคารพเย ก็คือลักษะของคุณธรรมของลูกศิษย์ครูอาจารย์ไม่เห็นเช่นนั้นก็แนะนําการเรียนสิ่งที่ดีให้แนะนําของคุณงามความดีที่จะอยู่แล้วเอาตัวรอดได้ให้แล้วก็สามารถที่จะสอนโดยที่ไม่ปิดบังอําพรางเลยอะไรที่มันเป็นเรียกว่าแม่ไม้เป็นหนามไม้ตายอย่างเงี้ยท่านก็สอนให้เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวจริงๆริงยิงให้ยิงได้แล้วหนางครูบาอาจารย์ ต่อมาครูบาอาจารที่ดีก็คือพยายามยกย่องเราก็อ่านออกคนไหนเป็นครูที่เป็นครูงเราแท้ๆก็จะยกย่องเราต่อหน้าที่ประชุมชนหรือว่าเขาสามารถที่จะชี้ทางสว่างให้เราตลอดเลยเราจะไปไหนมาไหนก็มีการบอกฝากเอาไว้นั่นเอลูกศิษย์เรานะคนนี้นดีจริงๆนะเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจได้นัน่นนะก็คือลูกศิษย์อาจารย์ที่แท้จริง อาจารย์ก็รบลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็รบอาจารย์ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเราก็ดูออกอันนี้ก็คือดูผ่านรหัสของตาในรหัสของสติของปัญญาเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันบอกทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ชี้ก็เพราะเราไม่เคยฝึกมาไม่เคยรู้มาความรู้สึกตัวเป็นยังไงไม่รู้จักอันนี้นะักกรรมฐานวิชากรรมฐานนะตอนเราได้ยินได้ฟัง มันมีอยู่จริงๆในโลกใบนี้ั้แต่โอสถเมตสัม ม, สมาสัมพุเจ้าชี้เรื่องกรรมฐานสัรรมมาฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เราก็เรามาทําดูมันเป็นยังไงสัมมาฐวิธีไหนเราก็ลองเรียนรู้ดูอย่างเรื่องกรสินอย่างนี้วันนักกระสินอย่างเนี้ยหรือว่าเตโชกสินอย่างนี้ยมันก็มีอยู่ฝึกจิตให้สงบเคยฟุ้งซ่านมาเคยมีเรื่อง วิตกกังวลคิดมากปัญหาเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องหลานการงานการเรียนการเดินทางต่างๆมีผริพโดมีความกังวลลองดูลุงทีต้องการฤทธิ์ให้ตาแข็งกล่าวมองใครก็สยบหลบตาไปเลยจ้องแม้กระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นก็ตามก็เป็นวิชาที่หลายคนก็ฝึกเอาฤทธิ์เอาเดชกันเพราะว่าสถามถะมาให้ฤทธิ์ให้เดชมีความสุขในระดับต่างๆสถมถะกรรมฐานสนใจเรื่องความสุขไปเลย มิปัสฉณากรรมฐานเนี่ยคือลักษณะของการเห็นความจริงเราไม่ได้ตองการความสุขสวยรวยดีอะไรแต่อยู่ในโลกเนะี่ยอยู่ยังมีปัญญารู้หลบเป็นปิ่รู้หลบปัญหาอันนี้แหละที่เป็นว่าธรรมะณผนีกฏจารีตกฎหมายต่างๆข้อตกลงร่วมกันหรือว่ามาตรฐานต่างๆหรือว่าผู้ชานาญการพิเศษนะครับรับรองกันไว้แล้วเ อ, อพอพูดแล้วก็ฟังกันเชื่อกันอย่างนี้ตอนหลังก็เลยกลายเป็นเรื่องของธุรกิจ นะอาผู้ชำนาญการพิเศษนะมาอ้างเพราะฉนะะนั้นเราก็ต้องเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันแล้วนะักของวิปัสสนาญาณเป็นเรื่องของความจริงนะที่ในโลกนี้เราไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้อย่างๆนะมันจะไหลไปตามความจริงกอนอยู่เรื่อยๆนะไม่เกี่ยวกับใครจะนะเรียกว่าทำลายล้างสักขนาดไหนก็ตามกลไกของมันก็จะมีตัวดีมีขาวก็ต้องมีดํา มีสุขก็ต้องมีทุกข์มีเมื่อก็มีสว่างมันเป็นของคู่กันตลอดนะก็ทั้งมีนิพพานก็ต้องมีอันถ า, านอันถ า, านก็คือสร้างให้เป็นภาระานภารมันอย่างเดียวเลยอคติประเภทนี้ก็คืออคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวอคติเพราะมีภัยต่างๆเราเห็นอันนี้รวมกลุ่มกันได้ง่ายมากนประเภทหัวเดียวกับอยู่กับหัวเดียวก็มีนะหัวเดียวก็เตรียมรีบมาว่า อยู่กนเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยหลานนี่ลักษณะของความจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เนีเป็นของคู่กันทินทาสรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมีสุข ม, มีทุกข์เนี่ยนะมันยังเกิดประเด็นต่างๆมากมายแล้วกิเรา็เห็นมันตามความเป็นจริงนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นลักณะของสมมุติสัจเป็นสัจจะที่เป็นสมมติในโลกใบนี้เนีเราจะทํายังไงก็ตามทุกคนเราก็จะต้องมี คูพยาบาทอาคาจองเวนหรือว่าคู่อาลิลลักษณะของคนที่เป็นศัตรูมันต้องมีอยู่ไม่ั้งโพชฌงค์กุลิมนันอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นศัตรูกันว่าสามารถเปลี่ยนได้แต่พอมาพระเทวทัตเปลี่ยนไม่ได้พระเทวทัตทำเป้าโลหิตให้ห่อเลือดก็กหมายให้ถึงกลิ่งหินลงมาแล้วสะเกตหินมันกระเดนใส่ห่อเลือดเลย อันนี้ก็คือลักษณะของคนที่ไม่สามารถเป็นผู้ที่บรรลุนะหรือว่าตัดจรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะได้นะไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เงี้ยก็คือลักษณะของจิตที่มันมีอคติอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีสติมันจะเกิดคติขึ้นมาคติจะเป็นลักษณะคติเพื่อให้เกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจอะไรก็ตามทั้งต่อนหน้าและรับหลังไม่จะมีวันอยู่ แต่ว่าเราก็เห็นว่าสิ่งนี้จะต้องถูกรู้เท่ารู้ทันภายในจิตในใจของเราเอง เ, เป็นสภาวะของความคิดต่างๆที่พาให้เกิดลักษณะของอคติต่างๆหรือว่าเกิดการคิดขึ้นไปเพ่งโทษอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่กระทั่งฟังธรรมถ้าฟังธรรมเพ่งโทษเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถทำให้เราเกิดปัญญาแล้วไปสู่ ปัญญาพุทธะนรือว่าเกิดมีมุตหลุดพ้นในขณะที่ฟังเราต้องน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็จะเป็นความจริงระดับไหนนะเราจะต้องตัดสินภายในของเราก็คือในแง่มุมต่างๆเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นความรู้เป็นไม่ใช่ความรู้เป็นความจริงเป็นไม่ใช่ความจริงเราต้องวัดที่ความรู้สึกตัวเสียงสวัสเสียงได้ยินสวัสได้ยินกลิ่นสวัสกลิ่นรสสวัสรสเห็นสวัสดิ์เห็น นะเพราะนั้นรู้ในระดับของสมมติเราก็ชี้กันในระดับของสมมติสัจจนะ์มีอยู่ในโลกนี้จริงๆอย่างเช่นเมื่อวานนะตอนเช้าหลังจากวัาทานอาหารเสร็จเราก็มีภูมิรู้เรื่องงานก่อสร้าง น, นะภูมิรู้เป็นที่ยอมรับนะคำว่าเป็นที่ยอมรับก็คือมันะเป็นลษณะของสถ า, า, าบัานการศึกษานะที่เราเคยผ่านมานะเคยจบมาเคยจบมา คราวนี้ก็ให้กระดาษมาแผ่นนึงเป็นตัวเรียกว่ารับรองประจบสถาบันนี้แล้วก็คือไปทํางานไดนะ้เราก็ทํางานเราเคยทํางานมาได้เงินได้ทองมาจากอาชีพเหล่านีนะ้เป็นที่ยอมรับกฎหมายเทศบัญญัติต่างๆเราก็เรียนรู้มากฎหมายของโยธาต่างๆนะกฎหมายของเทศบาลต่างๆเราเข้าใจหนะรือว่าบอยโปก คุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้ยมันมีอยู่แล้วก็รู้มาก็เดินไปเห็นนะทําือส้วมแล้ ว, ว, ลวเอาท่อสมนิ้วใส่เลื่อท่อสายไฟก็เลยไปชี้บอกพอดีจังหวะหลวงพ่อเดินมาพอดีก็เลยฟ้องหลวงพ่ออันนี้ใช้สำนวนเฉยๆนะครับประฟองเนะี่ยก็คือกลัเออหลวงพ่อเนี่ยเด้อเอาท่อเนนี้มาใส่เอย่ามีปัญหานะกําปั้นยัดเข้าไปได้เดี๋ยวสวมตันจะเป็นปัญหาทุบตอนหลังอาจจะหายได้ หลวงพ่อก็มองแล้วก็ยักหน้าพอมามาเช้าท่านกันได้มาเทศเลยนะไม่รู้ละชี้รู้ละชี้ถ้ารู้แล้วไม่ชี้มันผิดก็เป็นเรื่องของความรู้ถ้าเรารู้จริงรู้แจ้งแล้ก็รู้จบอย่างเงี้ยเราก็ชี้ในระดับที่เรารู้จริงกัรู้จริงเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราสมมติพูดกันเต็มโลกเลเช่นวิศวกรรมสถาปัตยกรรม เป็นกรรมนะัมโนกรรมเราก็ใช้วัจีกรรมใช้กายกรรมเป็นมโนกรรมเป็นกรรมดีกรรมชั่วอยู่เราก็เห็นเลยช่างทําได้ดิงได้ฉากไหมได้ระดับน้ําไหมหรือว่ายังไงทําตามใจใบาฮาร์ดไปเรื่อยๆโดนดาวไปเรื่อยๆมันก็เห็นอยู่มันมีแกนชี้วัดอยู่มาตรฐานมันตามสมมติจะอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นท่อสายไฟสีเหลืองท่อน้ําทิ้งน ระบายน้ําสีเทาทอน้ําประปาน้ําดีสีฟ้าอะไรแบบนี้ใช้ไฟใช้เบอร์อะไรมันมีมาตรฐานกองมันหมดอันนี้เราไม่ต้องไปโดนเดาวไปชี้ในหนังสือที่เป็นมาตรฐานงานต่างๆแล้วเราก็รู้แล้วนะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยหรือผู้รู้มีก็ถามจากผู้รู้ในระดับต่างๆมันมีอยู่ในนี้อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นสมมติสัจนะกรณีของปรมารจารจากก็คือความจริงมันก็มีคนประเภทเนี้ยอยู่ชุมชนไหนก็ตาม มันจะรู้จริงรู้ไม่จริงลาเสร็จแล้วก็ทําอะไรกันมากมายแล้วเกิดมากระทั่งที่นี้ก็เหมือนกันกรรมาฐานแนวหลวงปู่เทียนแนวเคลื่อนไหวเนี่ยปรัมครูของเรามีอยู่ก็คือหมกสมเด็จสัมมาจาก็ชี้อยู่แล้วนในหมวดสัญญาปภ ะ, ะแล้วเราก็ไม่เชื่อกันการคู้การเหยียดการเคลื่อนไหวอวัยวะในหมวดสัญญาปภะก็คือท่านรู้มาแล้วด้วยอานาปานสติรู้ได้๋แล้วอีบันใหญ่สี่นั่งเดินยืนนอน รู้อยู่แล้วนะจนกรทั้งพิจารณาดูแล้วว่าเออสัญญาปัปพระมันก็ใช้ได้จนกําหนดไว้ในหนังพศนะอย่างเนี้ยเล่มที่สิบสองเล่มที่สิบสี่ของมหามงกุฎมหาจุลาหน้าสามร้อยห้าอย่าเงี้ยมันก็ชัดเจนอยู่ในนั้นนะหน้าสามร้อยสามร้อยห้ามันก็มีอยู่จริงๆในนั้นเนีเราไปเปิดดูทักพิกมือนะเขาไม่ได้บอกพิกมือเพียงเขบอกว่าเออ คู่เข้าเหยียดออกคู่อวัยวะเข้ามือมัก็คืออวัยวะนะ่ะหรือว่าการเดินจงกมรมอ่ะคู่เข้าเหยียดออกนะั่นแหละแต่ละก้าวแต่ละก้าวเราก็รู้สึกตัวไปภิกษุเธอจงทําความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังการยืดหยุ่นคููเข้าเหยียดออกน่ะมือของเราที่สี่ใช่ไหเคยคู่เข้าเหยียดออกตรงเนี้ยก็ก็บอกคนโทอยู่มกระทั่งนะปรามาจาร ก็คือหลวงพ่อเทียนจิตาโพท่านทําแล้วก็บรรลุทำจริงๆสังเกตจากคําพูดของท่านก็นแล้วกันคําพูดและสีหน้าของท่านแม้กระทั่งเราไม่ได้เจอตัวตนจริงๆนะแต่เราดูจากเสือเระวางจิตวางใจเป็นปกติแล้วลองจับอับปปะกิริยาของท่านดูเราวางใจเป็นปกติลองจับระบบความคิดเวลาท่านพูดและเสียงพูดของท่านดูเราก็จะสัมผัสได้ถึงว่าเออท่านพูดด้วยปัญญา ท่านอยู่ได้ปัญญาแล้วก็มีความจริงในคำพูดอย่างไรมันเป็นปุกาลาทิสถานธรรมอุทิานมันเป็นความจริงอย่างไรเราก็ยังได้สับผิดซึ่งมันเกิดขึ้นไปในตัวเรานี่แหละสิ่งที่ท่านพูดไว้สองพันกว่าปีแล้วก็มาเป็นตำหรับตำลาื่อทีพูดเนื้อหาของวิชาการตรงๆมันก็นั่งหลับกันนั่งหาวกันก็ก็ใส่ล้นานะของออปุกาลาทิสถานลงไป ใส่ใ ห, หนาของชาดกลงไปใส่นิทานอ้างเล่าเรื่องลงไปเพื่อเกิดอุปมาอุโมยเอเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ย้อนกลับมาที่ เ, เรานั่ยแหละอันนี้ถ้าเราน้อมดีๆมันจะเกิดประโยชน์เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาจากการฟังปัญญาจากการคายครวญระทายสุดมาลงมือปฏิบัติจะเกิดผลจากการปฏิบัติการขึ้นมาจริงๆอันนี้ยบันดับทุกได้จริงๆเป็นการรู้แจ้งทุกซอกทุกมุมเป็นวิ ป, ปัสสนาญาณจริงๆขึ้นมา ในตัวเรานี้เองจนทึงมาถึงนะคําพูดของพระเขียนสภาวะพูดดนะูท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นล้านาของนะถ้าอยู่ที่นี่ก็คือเรียกว่าปูชนียบุคคลเลยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ไปลายสารอาจารย์ของพระทุกลูกในนี้โดยพราะพระที่โบสถใหมนะ่ท่านก็คงจะเหมือนกับว่าได้เป็นอุปชาแล้วก็อบรมตนะั้งแต่อยู่ในโบสถ์เลยนะอย่างเงี้ยตอนน้องการพูดท่านดีๆนะน้องก็มาใส่ตน คำเทศที่เราฟังทุกวันมาตั้งแต่เช้านะน้องเขาแบมันจะถึงใจเลยทีเดียวถ้าเรามีเครื่องรับมันจะอิ่มเลยสิท่านพูดะทุกซอกทุกมุมเราก็จะเห็นในตัวเราเนี่ยละ่ะท่านพูดธรรมะธรรมะแล้วก็เป็นสัจจะด้วยเป็นความจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีที่ท่า น, นต้องมีที่เราเนี่ยหละสัจจะมีที่พระเจ้าต้องมีที่เราเนี่ยแหล่ะมันต้องมีเหมือนกันแต่อยู่ๆเราไปยกเมฆลอยๆไม่ได้มันต้องมีเหตุ มันถึงจะมีผล เ, เกิดตาในสว่างสไยขึ้นมานตาที่เคยหลับไปนหน้าของปุถุชนอยู่ว่ายภูรมหรือว่าหลงอยู่ในความมืดสีขาวต่างๆนะก็คือแปลนหน้าของภพภูมนะิที่เป็นลณะของเดรัจฉานเปรตนะเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดานะเป็นลษณะของนะอสุรกายใบายภูมิต่างๆพวกนี้นะทิมเป็นภูมิะ เราก็จะต้องเห็นในตัวเราเหมือนกันจิตปกติน่ะสุขสุข ท, ทุกทุกอยู่เนี้ยมันต้องเห็นทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเกิดสภาวะผู้ดูขึ้นมาคราวนี้ก็มารู้สึกตัวอย่างกว้างไปต้องรู้สึกกายรู้สึกเวทนารู้สึกจิตรู้สึกธรรมก็เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้รอบกองสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหมดปัญญาที่สังขารเป็นบนุญเป็นบาปเป็นความดีเป็นความชั่วเป็นขาวเป็นดําเป็นมืดเป็นสว่าง อันนี้นเป็นความรู้ที่มันเป็นรู้แล้วก็รู้จบเป็นในชีวิตของเราเป็นวิชาฐานของกรรมหรือกรรมฐานนผลทํำไมเกิดที่ปัจนาญานตามันสว่างสวัยขึ้นมามันจะเห็นทะลุจริงๆตรงนี้แหละไม่เห็นแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าครูก็สอนถูกเราจะก็ลบสุดๆเลยนลยถ้าครูเป็นครูที่เขานลึกๆน ทขาสอนเราได้ความปรักหนาดีตรนั้นนั้นมันสุดหัวใจตายแทนกันได้ตรงนั้นนะมันเลยก็พูดอยู่เสมอว่าเออถ้าใครทะเลาะกับหลวงพ่อเกษรเนี่ยทะเลาะกับเราด้วยนะถ้าใครทะเลาะแล้วนะ ก, ก็ไม่เชื่อท่าน่ะถ้าก็ไม่เชื่อเราด้วยนะถ้าไม่เชื่อเราก็เหมือนก็ไม่เชื่อท่านด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วท้ายสุดเนี่ยถ้าความจริงมันอยู่ในตัวเราจริงๆอะเราก็จะเข้าใจกันเดี๋ยวมองตาก็เห็นข้างในแลนะ้ว ป่าหเห็นลิ้นไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เป็นสิ่งเดียวกันแล้วคือสัจธรรมความจริงเพขอนทุกคนไม่เกี่ยวกับสามเณรไม่เกี่ยวกับแม่ชีไม่เกี่ยวกับ่าสก์บาชิกาไม่เกี่ยวกัว บ, กบ เ, กเรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าอยู่วัดป่าสุขโตไปแล้วด้วยดีหรือเปล่าว่ยังทุกขติอยู่หรือยังหลงในสุกติอยู่หรือว่าปกติดีเมื่อปกติดีมันก็จะมีคติต่างๆ เป็นกติที่ทําให้เราเหมือนกับว่าเกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นขึ้นมามันจะอยู่ง่ายละอยู่ให้เขาเรี่ยงง่ายอยู่ไปวันวันเหมือนไม่ได้ทําอะไรหรอกอยู่ไปวันวันหนึ่งรู้สึกตัวไปวันวันึงมีสติไปวันวันึงทบทวนไปวันวันหนึ่งลองรอยต่างๆก็เหมือนเดิมทุกวันอันนี้แหละเราจะได้เป็นครูสอนเราโดยเพราะความรู้สึกตัวก็จะเป็นครูนะและความรู้สึกบวกรู้สึกลุก รสึกสุขรู้สุกทุกข์อันนี้ก็จะสอนเราเป็นครูสอนเราแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกศิษยนะ์เราเป็นลูกศิษย์ที่ดนะีมาถึงฝั่งแล้วเวลากระโดดขึ้นฝั่งพยายามเรียบเหยียบเหยียบเรือนะครูเนี่ยเปียกเหมือนเรือจ้างนะเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพนะ์แม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของโลกอะไรก็ตามพยายามกระโดดขึ้นให้ถึงฝั่งนะถ้าเรามีครูนะ อย่าหัวเลยแล้วก็เท่าไปแรงๆกระโดดขึ้นฝั่งไปให้ถึงฝั่งอย่าไปตกน้ํำป๋อมแปมนะเรือแตกก็คงยังไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของเรือซึ่งตง้องต้องตกในกฎของไตรักเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีราบเสื่อมราบมียศสมยศมีสุขมีทุกข์นะมันเป็นอย่างนั้นมีเนนทามีสรรเสริญ น, นะมันเป็นหน้าที่ของครูครูก็ต้องยอมรับกับสภาวะของทุกอย่างเหมือนกัน ก็คือความจริงที่มันมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมันมีอยู่จริงๆรินางมันจะวิการดาพุทธเจ้าหรือว่าปัญจวคีกว่าจะเชื่อนเดินหนีไปไกลเลยล่ะกว่าจะเชื่อจนทั้งพราชาชนะอัจฉริยะฟังอนันต์ตาลอนสูตรรู้ว่าแม้กระทั่ง อ, อ, อธิตตาปริยยสูตรจะดินสามพี่น้องว่านจะยอมฟังองค์มสมเด็จสวรรค์ที่รทรมานแก้ง ใช้เล่เหลี่ยมให้วิ้าไปอยู่ในศาลจ้าแม่กาลีเสร็จแล้วก็มีงูพิษต่างๆมากมายรารองภูมิพอฟื้นขึ้นมาได้มีฤทธิ์มีเดชก็เชื่อฤทธิ์เชื่อเดชกันพระเจ้าบอกไม่ใช่เชื่อไฟก็ไม่ใช่แต่ว่าเราจะพูดความจริงให้ไฟราคะขี้ไฟโทสะคี้ไฟโมหะขีเนมันเป็นไฟในตัวที่เราไม่ควรบูชาเลยไฟนะ ไฟในเะหยื่อออกไฟนอกเหยื่อเข้านะี่ตรงนี้เวลาแต่งงานควรชอบเอาเรื่องราวต่างๆเวลารักแักวก็สองคนแต่เวลาทะเลาะ ก, กันเนชอบเอาไปเล่าให้บุคคลที่สามฟังเรื่องญาติพี่น้องเรื่องความไม่ดีทั้งหลายสาวไ ส, วสว่ใหกากินอย่าทำไฟพวกนี้เป็นไฟไม่ดีหรอกไปที่ไหนก็จะร่อนร่วมร่อนลอ น, ลนไปตอกย้ําซ้ําเติมเพราะฉะนั้นให้บูชาไฟก็คือลักษณะของ ไฟในเรือเนี่ยไฟต้องจุดให้สว่างกลางค่ากลางคืนเนี่ยถ้าเป็นระนณะของภรรยาที่ดีก็ควรจะจุดไฟให้สว่างกลางค่ำกลางคืนทุกวันเนี่ยไฟพวกนี้ดีถ้าไฟเรื่องของที่มันจะเผาผลาญเราทําให้เราร้อนลุ่มอันนี้ไม่ดีไฟหุงต้มเนี่ยต้องเตรียมให้เรียบร้อยการหุงต้มเปืนไฟนี่ยอย่ายให้ขาด บางอย่างก็ต้องทําบางอย่างไม่ต้องทำํำทางอาชีพให้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครูเารากับครูของเรากันเดแต่เพราะครูคือตัวเราสอนตัวเราดีที่สุดคนอื่นสอนอาจจะไม่จริงแต่ตัวเราสอนตัวเรานะ่ยมันจริงอยากได้อะไรอยากจะเป็นยังไงก็สอนเอ า, าใช้ส่น ว, เ ว, สว น, เนเป็นความเชื่อความรู้สึกตัวมันทําให้เกิดศรัทธาขึ้นมาเป็นความเชื่อ ความเชื่อเมื่อเราเชื่อเราก็จะปฏิบัติมีความเพียรเกิดขึ้นมาวิยะเกิดขึ้นมามันจะเกิดความรื่นเริงก็เรียกว่าอารมณ์ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติงานหรือออกกํากลังกายทํางานทําการจะยากขนาดไหนก็ตามพอมันทําแล้วก็ได้อารมณ์ของงานมันก็จะเพลินอย่างนีน้เวลาปฏิบัติก็จะมีอารมณ์ของกรรมาฐานอันนี้ก็จะชวนทําเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาถ้าเป็นบุคคลหนึ่งสองสามเรียกพระหิทธาธรรม ปฏิทถาธำทำที่เป็นภายนอกอาจจะไม่จริงเท่าไหร่แต่พอเป็นธรรมที่เป็นภายในอันนี้จริงแล้วพอเรารู้เราแล้วมันจะรู้เขา่าเราก็จะรู้อ๋อก็ เ, เป็นสัติุัุฐานจริงๆก็เป็นละกษะของพระโอษจริงๆก็เป็นวินโยชนจริงๆเป็นปัญญาชนจริงๆก็เป็นอัจฉริยะจริงๆก็เป็นอริยะชนจริง ๆ, ๆสังเกตได้ความเสมอต้นเสมอปลายความไม่ถือตัวต่างๆ แล้วก็จะมีคุณธรรมอยู่เสมอเวลาเรามีปัญหาใดๆก็ตามคนพวกนีก้จะเข้ามาเวลามีผิดเขาจะมาชี้ให้เราถูกเวลาหลงทิศหลงทางก็จะมาคอยประคับประคองเราเวลาอ่อนล้ากวกนี้เก็จะคอยช่วยเราเนี่ยครูของเราเป็นอย่างนั้นะเราก็คอยช่วยเราด้วยแล้วก็ถ้ารู้ก็ช่วยคนอื่นด้วยแลรู้แล้วก็ชี้อย่างนี้เป็นต้นเอาก็พูดให้ฟังเห็นว่าสมควรเวลาเรากราบพระพร้อมกัน